ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายังหลวงพ่อกลมครูบาอาจารย์ทุกรูปพันเตเพื่อนสาตธรรมิกจเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกันตามปกตินอ้อ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่สิบห้ากันยายนพุทธศักราช2 5 5พนหรสวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์และก็ฟังธรรมซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจาวันของที่วัดป่าสุกโตสำหรับกลุ่มปฏิบัติธรรมประจาเดือนกันยายนก็เป็นวันที่ วันที่สนะเรามาตั้งแต่วันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่นะคนเราก็จะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่ารักสุขเกียดทุกนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเมื่อวานเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเจอทุกข์หนักๆเลยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเลยใช่ไหมหลายคนก็ <c oughs> รู้สึกนะหนักนะบางทีก็เหนื่อยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเราต้องมาเผชิญกับความทุกขนะ์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจคนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอทุกข์ก็หนีทุกข์ไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญการที่เราหนีทุกข์เนี่ยเราก็เลยไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเนี่ยมันมีความทุกข์และมันมีทางออกจากทุกข์ด้วยส่วนใหญ่เรามักจะหนีทุกข์ไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ตรงนี้เราก็เลยเสียโอกาสาเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพราะนั้นอริยสัจสีข้อแรกก็คือความทุกข์การที่เราหนีทุกข์ นะด้วยวิธีการต่างๆเนะช่นเราเครียดเราเบื่อนะเราก็หนีไปเที่ยวบ้างไปดูหนังฟังเพลงหานะของอร่อยอร่อยกินนะอันนี้ก็คือการที่เราหลีกหนนะีเราเห็นแต่ทุกเกิดแต่เราไม่เห็นทุกดับนะตรงนี้ก็เลยเสียโอกาสไปทีนี้ถ้าเรารเผชิญกับความทุกขนะ์แล้วก็เรียนรู้มันนะ ซึ่งการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องอาศัยเครื่องมือนะเครื่องมือสำคัญอันนึงคือความรู้สึกตัวนะอย่างที่เราได้สาธยายม์ไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราก็จะโดนความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นนะแล้วเราก็พยายามจะหลีกหนนะีพยายามหลีกหนีไม่พยายามที่จะประเชิญกับมันนะตรงนี้ก็เลยทาให้เรา เ, าเรียกว่าพยายามมีทุกข์อะไรเราก็หนีหมดเลย ทุกกายก็หนีทุกใจก็หนีเราไม่ได้เรียนรู้ลงไปตรงๆในความทุกนั้นนะจนสุดท้ายเนี่ยมันเจอความทุกข์หนักๆจริงๆนะตรงนั้นอ่ะมันมาเคาะประตูให้เรากลับมาดูกลับมาเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นความทุกเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดปัญญาสังเกตนะคนที่มีความสุขเนี่ยนะเพลิดเพลินไปลหลงไหลไป ในการกินในการดื่มในการเที่ยวนะ่เพลินไปนะก็ลืมตัวนะจนบางทีสุขภาพเสียเลยแตนะ่อย่างที่เราเห็นในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสิ่งบันเทิงเริงรมนะที่ชวนให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วเราบอกนั่นนะมันเป็นความสุขก็จริงอยู่นะมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราหลงไหล หลงไหลลืมตัวนะแล้วเราก็เห็นว่าเป็นทางออกจากทุกข์จริงๆอันนั้นไม่ใช่ทางออกจากทุกข์นะมันเป็นทางที่เราจะกลบเกลื่อนนะกลบเกลื่อนความจริงของชีวิตนะที่เราจะหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกวความเพลินนะความเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานเนี่ยนะเป็นทางของเขาเรียกว่าเป็นบ่วงของพยามาณ นะที่ล่อหลอกให้คนในโลกเนี่ยติดกับนะอยู่ในความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราไม่หันกลับมานะที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะชีวิตที่มีความทุกข์และออกจากทุกข์ไดนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเสียโอกาสไปเพนะระาะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยนะคนที่เริ่มมาสนใจเริ่มมาตะหนัก ที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตส่วนใหญ่นะนะความทุกข์มันบีบนะมันบีบจนหาทางออกไม่ได้เที่ยวก็แล้วกินก็แล้วสนุกสนานก็แล้วถึงจุดหนึ่งมันอิ่มตัวนะมันเบื่อมันเอือมละอาขึ้นมาก็หันกลับมาเรื่องเหล่านี้นะซึ่งในพุทธประวัติก็มีมากมายนะอย่างกรณีของย่าศาักดุรบุตรใช่ไสะดวกสบายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ ก็ตามนะท่านอยู่ในวังนะอยู่ในประสาทราชวังอยู่เป็นยุพ ร, ราชนะเตรียมที่จะเป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะแต่ถึงจุดหนึ่งท่านก็รู้สึกเบื่อนะเบื่อกับความสะดวกสบายนะความสุขนะซึ่งมัญหาจุดจบไม่ได้นะตรงนี้นก็เป็นจุดหนึ่งหรือคนในปัจจุบันเนี่ย เราเจนได้เลยว่าตอนที่เราสะดวกสบายเรามีความสุขเรามีชื่อเสียงเกียรติยศเราก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้หรอกแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีปัญหาชีวิตเข้ามานะอย่างกรณีของหมอวิสุทธ์เนี่ยนะที่เราได้ยินนะเป็นหมอมือหนึ่งนะของเอเชียเลยโดยเฉพาะในการทําเรื่องเด็กหลอดแก้วเนี่ยมีความรู้มากนะมีความสามารถมากนะจนสุดท้ายเนี่ยนะถึงกับ มีเรื่องทะเลาะกับภรรยาของตัวเองนะแล้วก็คงจะเกิดนานแล้วละ่ะไม่ได้เกิดครั้งเดียวอะ่ะนะก็เก็บกดมาพอสมควรนะสุดท้ายก็ลงมือฆ่าเมียของตัวเองนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ต้องอต้องโทษนะติดคุกแล้วก็ได้มาระ ล, ลึกถึงที่หลังว่าโอ้นะเราลืมเรื่องที่สำคัญของชีวิตไปคนเราเมื่อมันมีความทุกข์เนี่ยมันก็จะกลับมา นะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตว่าโอ้ชีวิตนี้มันก็มีความทุกนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้มีเฉพาะ ว, ว่าทุกอย่างเดียวนะมันมีทางออกด้วยนะนะส่วนใหญ่เนี่ยเรามากักจะเห็นแต่ทุก์หมายถึงว่าเห็นทุกมันเกิดแต่ไม่เห็นทุกมันดับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพลาดโอกาสนี้ไปอย่างการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะจะมาเข้าคอร์สก็ดีหรือจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ดี นะเราจะเจอกับความทุกข์ความทุกข์ของกายเช่นความหิวความกระหายนะความร้อนความหนาวนะหรือว่ามแมลงต่างๆมันมากัดนะตรงนี้ก็เกิดความลำบาญเป็นความทุกข์ทางกายนะที่มีอยู่นะบางคนก็พยายามที่จะหาทางหลบหลีกหลีกเลี่ยงไปนะด้วยวิธีการต่างๆไม่เรียนรู้มัน หร่ทุกข์ทางใจมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะสิ่งที่เราอยากได้นะความทุกข์มันมาบีบคั้นนะมันไม่ได้ดั่งใจนะอย่างเช่นนะอาหารอย่างเงี้ยนะเราคุ้นเคยกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มาอยู่วัดป่าสุโกโตอะไรก็ไม่รูนะ้บางทีมันก็ไม่ถูกใจเหมือนกันนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ <c oughs> เราไม่หาโอกาสนะที่จะเรียนรู้นะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตที่นี่นะในรั้วรอบขอบชิดนะโดยเฉพาะอย่างพระก็มีวินัยนะวินัยของสงฆนะ์ที่จะเป็นกรอบขอบเขตญนะาติโยมก็มีศีลนะที่เราอยู่ด้วยกันนะบางคนนะอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจก็พยายามที่จะหาทาง หลบหลีกหลีกเลี่ยงบ้างาไม่ทำตามบ้างเรียกว่าไปทำตามใจทำตามกิเลสหาความสุขสนุกสนานจากการนอนจากการกิ น, นพอเจอความทุกข์จากการปฏิบัติก็ไม่เอาละเครียดไม่ไหวก็ไปหากิจกรรมอื่นทำนแล้วก็หลงลืมเรื่องนี้ไปอันนี้เขาเรียกว่าก ล, ลุวมของกิเลสซึ่งมันจะพาให้เราไม่เดินทาง ไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์เราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ทุกข์ปัญญามันจะเกิดจากการที่เรารเผชิญกับความทุกข์และเห็นการเกิดการดับของมันนะเพราะนั้นการที่เรามา <c oughs> ศึกษาปฏิบัติธรรมนะด้วยการเจริญสติเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้นะมห า, า, าสติปัฏฐานสูตรนะจริงๆมันมีสี่หมวด นะก็คือให้พิจารณาให้มีความรู้สึกตัวที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมกายเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะเราเคลื่อนเราไหวนะเราทำนูน่นทำนี่ให้มีความรู้สึกตัวนะละเอียดมากเมื่อสักครู่นี้ที่เราสาธยายไปนะตั้งแต่การตื่นนอนการนอนการเดินการนั่งให้มีความรู้สึกตัวแม้แต่การขับถ่าย นะก็ให้มีความรู้สึกตัวการสงการใส่เสื้อผ้านะอย่างพ้าก็เรียกว่านุ่งห่มจีวรนนะอย่างเราใส่เสื้อผ้าเราก็มีความรู้สึกตัวนะการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มอย่างการกินเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะบางทีมันกัดลิ้นตัวเองก็มีนะใช่กัดลิ้นที่ปากตัวเองก็มีนะบางทีกินไปคุยไป แลนะไม่มีสตินะวินัยของสงฆ์มีนะกินไปคุยไปเนอาบัตนะนะตรงนี้ในแง่ของเราเนี่ยแล้วจริงๆการอาบัตินี้ก็คือป้องกันนะไม่ <c oughs> การกินถ้าเรากินไปคุยไปเนะี่ยมันก็จะติดคอนะแล้วก็เรียกว่าไม่มีสตินะรีบกินนะรีบเคี่ยวรีบกืนนะไม่ได้เคี่ยวให้ละเอียด นะอันนี้ก็เรียกว่าสามารถที่จะฝึกสติได้กับการกินการดื่มนะการเคี้ยวแม้แต่การพูดการคุยก็ให้มีสตินะไม่ได้พูดไปเรื่อยเพ้อเชอเรื่องราวต่างๆมากมายคุยสนุกสนานเฮฮานะ่าคึกขนองไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายว่าโอ้โหนะเราจะเครียดเลยจะไม่คุยเลยเหรอนะก็คุยบ้าง เท่าที่จำเป็นนะโดยเฉพาะยางยิ่งอย่างคอร์สมาปฏิบัติเนี่ยเราก็พยายามที่จะเน้นกันว่านะเรามาที่นี่เรามาฝึกตัวเราเองเพระาะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นอย่าคุยกันเลยนะพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวนะเพราะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากนะถ้าเราฝึกมาอย่างดีนะมันขาดช่วงนิดเดียวเนี่ยนะสิ่งที่เราฝึกมาหายหมดเลย นะเหมือนยังเราฝึกมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ในรูปแบบพอเป้งหมดเวลาแล้วก็คุยกันเลยนะตรงนี้สิ่งที่เราปฏิบัติมามันหายหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นการพูดการคุยเนี่ยนะเป็นรูรั่วพูดคุยเท่าที่จาเป็นนะตรงเนี้จะทำให้สติของเรามีความต่อนเนื่องเพราะนั้นะนะความรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่จะทำต้องทำให้ต่อเนื่องนะอย่าไปดูอย่าไปดูแคลนหรือไปดูเป็นเรื่องเล่นๆ น, นะทำสนุกๆในรูปแบบเท่านั้นเองนะถึงเวลานอกรูปแบบเราก็ไม่สนใจแล้วเพราะนั้นสังเกตดูนะตะกี้นี้ที่เราสาธยายมนเนี่ยให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำคาว่าอยู่เป็นประจำนี้คือต่อเนื่องไม่ใช่ว่า มีสติมีความรู้สึกตัวแค่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมพอออกจาก <c oughs> เดินจงกรมสร้างจังหวะไม่สนใจแล้วเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทาให้การฝึกหรือการปฏิบัติของเรามันเนื่นช้าเพราะเราไปเห็นกับการเพลิดเพลินการคุยสนุกสนานการคึกขนองนะตรงนี้เป็นรูรั่วเพราะฉะนั้น <c oughs> การฝึกใหม่ๆเนี่ยนะ โดยเพาะคนใหม่ๆมันต้องเครียดเป็นธรรมดานะเครียดแล้วเรียนรู้มันนะเรียนรู้ความเครียดนะความเครียดมันไม่ได้เครียดตลอดเวลาหรอกเมื่อมันเครียดเนี่ยก็หาทางผ่อนคลายสิทําไมจะต้องหนีออกไปละ่นะเช่นยกมือสร้างจังหวะตั้งใจมากเกินไปเพ่งมากเกินไปก็ผ่อนคลายเทนะ่าที่สังเกตเมื่อวานบางคนหลายคนก็ตั้งใจนะในการปฏิบัตินะแต่บางทีเพ่งเข้าไปข้างในมาก นะเพ่งกับแบงค์นางมันก็ยกมือแข็งๆเหมือนหุ่นยนนะตั้งใจมากนะก็ผ่อนๆ น, นะบางทีหลับตานะบางคนบอกไม่อยากลืมตานะลืมตาแล้วมันไม่มีสมาธินะมันรบกวนนะไอ้นี่ก็เพ่งกับแบงค์ไหนมันมันจะเครียดตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เปิดเปิดตานะมองออกไปข้างนอกบ้างนะให้มีออกไปนอกบ้างถ้าออกไปข้างนอกมันเผลออาก็ดึงเข้ามา ดึงเขามาถ้ามันเพ่งมากๆมันนักก็ปล่อยออกไปบ้างให้เป็นศิลปะนะการโยนอารมณ์ออกไปบ้างการเข้ามาบ้างอย่าไปทําทื่อๆไม่ใช่ยกมือสร้างจังหวะก็ยกมันอยู่จังหวะเดียวนั่นแหละนะเมื่อวานมีฝรั่งเยอรามานันคุณจอรนนี่นะก็เป็นคนตั้งใจนะปฏิบัติอัตมาก็นั่งดูอยู่นานแล้วนะนั่งยกมือช้าๆง่วงอนะบอกทําเร็วๆก็ได้นะมันจะได้ตื่นตัวขึ้นนะนะก็ไปแนะนําเขา บางทีเราทําจังหวะเดียวเนี่ยมันซ้ําๆๆๆแล้วมันเบื่อไงอ <c oughs> ก็ทําให้มันเร็วขึ้นบางก็ดา้นะอันนี้เพื่ปลุกตัวเอง <c oughs> การฝึกเจริญสติเนี่ยนะเราไม่ได้ให้มันสงบแบบนิ่งแล้วไม่คิดอะไรนะมีบางคนนะยังติดวิธีการเดิมอยู่นะนั่งหลับตาไปถามว่าทําไมหลับละ่ะเขาบอกมันจะได้พักบ้างเหนื่อยนะไม่ไหวขอนั่งพักสักหน่อยวะ <c oughs> เออแล้วก็บอกว่าคุณทำมากี่ปีแล้วเนี่ย หปีแล้วความโกรธลดไหมก็ลดลดบางนิดหน่อยนะการที่เราไปสงบนิ่งแบบนิ่งไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันสบายนะมันจะติดมันจะเพลินกับความสงบแต่มันจะไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะเราให้มันแสดงออกมาเลยความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันตกตะกอนนอนอยู่ในใจเราเนี่ยให้มันแสดงออกมาแต่เรามีสติเห็นมัน มีสติเห็นแล้วก็รู้ทันนะแล้วก็ปล่อยอย่าไปสนใจนะคำว่าไม่สนใจในที่นี้คือไม่ให้ค่ามันเช่นมันคิดขึ้นมาอย่าไปตามมันมันคิดขึ้นมาไม่ห้ามนะแต่ไม่ตามนะกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ที่กายนี่แหละนะตรงนี้จะเป็นการปล่อยวางถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เราสาธยายตะกี้เนี่ยภาษาเนี่ยมันทาให้บางทีก็ทาให้เป็นปัญหาเหมือนกันนะ จะเราบอกจะถอนเนี eh um. Shot, ่ยเอ้มันจะถอนยังไงอะไอ้มันจะถอนความพอใจยังไงก็เพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวเนี hmm. ่ยมันจะถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกก็คืออารมณ์มาแหละหรือความคิดนั่นแหละนที่มันอยู่ในสิ่งที่เราได้สัมผัสได้เห็นเพราะนั้นเพียงแค่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้เมื่อถอนความพอใจออกมาได้ใจมันก็เฉยเฉยใช่ไหมใจมันปกตินะ ใจเฉยๆนี่มันเฉยแบบตื่นรู้นะไม่ได้เฉยแบบซื้อบื้อนะเฉยแบบซื้อบื้อคือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะทือท่อๆหลับตานะไม่รับรู้อะไรเลยนะบางทีเหนื่อยมากๆทุกมากๆก็หลบไปหลบไปอยู่ใต้บาดาลเลยนะเป็นพญานาก็คือนั่งหลับตานิ่งไม่เอาอะไรเลยนะนิ่งๆอย่างนั้นเนี่ยมันสบายแต่ว่ามันไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลืมตาขึ้นมา ปรเชิญกับสิ่งแวดล้อมนะแต่สำคัญก็คือให้เรากลับมารู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยนะมันรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไระนะบางคนตั้งใจใช้มันรู้ตลอดเวลาเลยไปจี้มันรู้ตลอดเวลาอันนี้มันเครียดนะมันหนักนะมันมึนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆปรับรู้จักปรับนะ <c oughs> บางทีเราฟังก็บอกอาทาสบายๆอย่าไปเพ่งอย่าไปเครียดมากใหม่ๆอ่ะ มันยากมันไม่ยิ่ง่ายเราไอ้ทาแบบนั้นแหละเพ่งบ้างไม่เปไ็นไรเครียดบ้างไม่เปไ็นไรแล้วค่อยปรับเหมือนเราเรียนตอนกอไก่ขอไก่จําจได้ไหมโอ้โหเก่งนะเขียนใหม่ๆเก่งอะ่ะหรือเหมือนพวกขับรถใหม่ๆอ่ะมันจะเก่งอะ่ะใช่ไหมเราตั้งใจอะ่ะนะมีเอคนขับรถใหม่ๆจะขับสบายๆเลยไม่มีอะ่ะมันก็ผ่านการเพ่งผ่านการหนักการเครียดตั้งใจนิดนึง เจตนาที่จะยกมืออย่าไปยกมือแบบลอยๆนะบางทียกไปคิดไปมันไม่รู้ตัวนะนะเดินไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นก็นบอกให้เดินสบายๆอะไรเงี้ยนะตรงนั้นเนี่ยความสบายๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักเผอรู้จักเพ่งนะทั้งเผอทั้งเพ่งเดี๋ยวมันจะมีจุดตรงกลางมันพอดีพอดีอดแต่อย่าไปหานะเพียงแต่เราสังเกตสังเกตเอ้ยมันเพ่งมันหนักไปนะ อ้าวเราพอนมาเอ้ยพอนไปมันเผออ้าอ่าวเพ่งเข้าไปเพ่งเพงเผลอๆอย่างนี้แหละแนะมันไม่มีหลักที่ว่าปุ๊บตรงกลางเลยอ่ะนะหรือสบายเลยอ่ะไม่มีอ่ะนะใหม่ใหม่มันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เมื่อวานก็มีบางคนบอกโอ้โหปวดหัวรู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวจะขอยาพารากินหน่อยนะอแต่มาบอกไม่ต้องหรอกไอ้นี่แหละอาการการปรับเนื้อปรับตัวนะกินยามันไปกดประสาทเปล่าอะเดี๋ยวต้องดูวันเนี้ย มันจะปรับเนื้อปรับตัวในะอย่างที่ท่านจันทร์ใบาสารพูดวันก่อนเนี่ยว่ากายใจของของเราเนี่ยมันปรับตัวได้มันมีความสามารถพิเศษนะในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวให้สามารถที่จะแก้ความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเจอความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะทุกอะไรก็ตามยันหนีนะเรียนรู้ลงไปนะแล้วก็แต่การเรียนรู้นี่ เราจะไปเรียนรู้ทื่อๆไม่ได้นะมันต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือสำคัญคือความรู้สึกตัวนี่แหละแต่ความรู้สึกตัวนี่มันพูดไปก็เป็นภาษานะแต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเกิดจากการฝึกเกิดจากการที่เราทาให้มันต่อนเนื่องเพราะนั้นรูปแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญนะอย่าไปอย่าไปดูถูกมันนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาในรูปแบบให้มากๆเรามีเวลาไม่กี่วัน <c oughs> นะห้าวันเจ็ดวัน พยายามเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องสันทนาการเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่มาจากที่เดียวกันเอาไว้ก่อนเราอยู่ที่ทํางานเราคุยกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราเฮฮากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เราไมา่ให้เวลากับตัวเราเองให้เวลากับเพื่อนนะในการที่จะปลีกวิเวกนะในการที่จะปฏิบัติมันจะทุกข์จะยากอะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราสามารถทนสิ่งที่ทนได้ยากเนี่ยนะเดี๋ยวเราออกไปอยู่ในโลกในมันก็จะสบาย นะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาความสบายจนเกินไปนะความสบายความเพลินความสุขเนี่ยแหละมันหลอกให้คนเนี่ยไม่ค่าที่จะมาเรียนรู้นะความจริงของชีวิตนะก็คือความทุกข์และการดับทุกข์ที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละนะเอากายเอาใจเนี่ยนมาเป็นตำราไม่ต้องไปอ่านหนังสือนะเห็นมีบอร์ดเยอะแยะเลยเนี่ย มีบางคนเดินมากๆเบื่อไปนั่งไปเดินดูหนังสือบอกไม่ต้องดูดูมันต้องความดูนั่นแหละนะดูไปเลยนะเราเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเสื่อมไปนะถ้าเห็นตรงนี้แล้วมันโผล่ขึ้นมาเลยนะการเสื่อมการการเกิดการดับเนี่ยง่ายๆเลยความง่วงเนี่ยเมื่อวานเจอไหมโหมันง่วงที่สุดแล้วนะสุดท้ายมันเอ้ยมันตื่นขึ้นมาได้ไหมเอ้ยมันมีตื่นมีแล้วมันมีง่วงมีตื่นนะ นี่มันมีเกิดมีดับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้ดูมันบ่อยๆนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นความทุกข์ของใจเนี่ยนะมันพลิกนิดเดียวะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากแต่ความทุกข์ของกา ย, ยมันก็ต้องแก้ไขบรรเทาไปเราหิวเราก็ต้องกินกายก็ต้องดื่มใช่ไหมหิวแล้วเราไม่กินมันก็ไม่หายมันก็ในรนะ่างกายนะเราปวดเราเมื่อยเราเปลี่ยนเรียบปวดได้นะไม่ใช่ไปนทนอยู่นะแต่ว่า ลองดูก็ได้ทนดูต้องทนทักเท่าไหร่แตนะ่บางทีมันก็ปรับตัวได้เหมือนกันนะอย่ า, างเพ่งเรานั่งนานๆเนี่ยบางทีมันปวดมันเมื่อยบางทีมันก็มันปรับตัวได้เหมือนกันนะแต่ไหม่ๆอย่าเพิ่งไปทำนะเดี๋ยวมันจะเข็ดแล้วก่อนเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยน ะ, ะเผชิญกับความทุกข์เพื่อพ้นทุกข์อย่าหนีถ้าเราไม่เผชิญเราก็จะหนีไปจนตลอดชีวิต จนสุดท้ายอ่ะตอนตายเนี่ยความตายมันมาเผชิญหน้าเนี่ยเรามีเครื่องมือหรือยังที่จะเผชิญความตายไม่ต้องพูดถึงตายอ่ะเอาแค่เจ็บก็พอแล้วเจ็บปวดไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราทำใจได้ไหมเรามีสติรู้ทันไหมเราสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้ไหมนะหรือว่าเราโศกเศร้า เสียอกเสียใจไปกับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกระเทือนใจนะไม่ต้องอะไรแค่คําพูดคนมาตําหนิเราเนี่ยมาดูถูกเรามาต่อว่าเราแล้วเราไม่พอใจนะั่นแหะตรงเนี้ยเพราะเราไม่มีสติเราลืมตัวใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูแต่ทุกข์อย่างเดียวแม้แต่สุขนะถ้าสติเราละเอียดอ่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้แม้แต่สุขมันก็เชื่อไม่ได้นะมันก็จะไม่หลงไหลเหมือนกันนะ อย่างเช่นเราเดินจงกรมเนี่ยคนเก่าๆเนี่ยโอ้มันสบายเบานะบางทีก็ขนลุกขนชันนะปติทราบซ่านนะอันนี้ก็เป็นความสุขที่เราต้องระวังเหมือนกันนะอย่าไปติดมันของพวกนี้มันไม่แน่นอนมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยดูให้มันดีนะแล้วก็อย่าไปหนีมันต่อไปนี้ความทุกข์เนี่ยมันมาสอนเรานะ มาสอนเราให้เรามีปัญญาให้หาทางแก้ไขนะถ้าเราหนีเราก็ไม่จะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเขามาสอนเราทั้งนั้นเลยเขามาให้เราเรียนรู้เราเพียงแต่จะหันเข้าไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราหนีเราหลีกเราไม่กล้าเผชิญนะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เขา ไม่เห็นการเกิดการดับของเขานะไาเมนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะไปสั่งการได้นะตรงเนี้นะมันจะเกิดปัญญาในการที่จะปล่อยวางเองก็บอกให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันไปคิดเอาไม่ได้นะมันต้องเกิดจากการที่เราสัมผัสมีประสบการณ์นาจากการที่เราเห็นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ นะมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปยึดไปถือรักสุขอยากใช่สุขมากๆตราบใดที่รักสุขเนี่ยนะทุกขมันก็จะมานะเมื่อสุขหายทุกขก็จะมาเพราะฉะนั้นสุขทุกเป็นอาการเท่านั้นเองที่เขาแสดงนะตรงนี้เราจะเห็นความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นความทุกขเนี่แหละทําให้เราพ้นทุกได้ประตูที่จะพ้นทุกอยู่ที่ตรงทุกนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าหนีมันนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเวลาปฏิบัตินะในชีวิตจริงๆก็เหมือนกันเมื่อเผชิญทุกข์ขึ้นมานะั่นแหะตรงนั้นละ่ะเป็นทางออกนะมันมาเคาะประตูแล้วนี่ทางออกอยู่ทางนี้นะอย่าหนีไปไหนนะมาทางนี้เลยใช้สติเชิดปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปดูคําว่าพิจารณานี i ก็ไม่ได้ไปคิดเอานะสัมผัสรู้มันหนักมันเบามันเกิดมันดับมันหายไปมันเสื่อมไปเนี่ยเราเห็นตรงเนี้ย ปัญญาเกิดจากการเห็นไม่ใช่คิดเอามีความคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อ น, นะ ใ, นในระหว่างการปฏิบัติเพนะราะฉะนั้น <c oughs> ในชีวิตจริงนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญคนที่มีปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่เราได้เผชิญได้เห็นความทุกข์แล้วเห็นการเกิดการดับของมันใหม่ๆก็เห็นรูปเห็นนามเนี่แหละก็คือกายที่มันเคลื่อนมันไหวในก่อนนะก่อนที่จะปเป็นจิตเห็นใจ วันนั้นใหม่ๆอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะให้มาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะอะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือเสสัมปชัญญะนะที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏ <c oughs> ทั้งที่ เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจของเราก็ตามพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิการที่พร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจนะของทุกท่านขอให้เป็นพระวปัจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความพ้นทุกข์ คือจิตที่เป็นสุขเกษมสารในเร ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร